ดับความคิดดับความกังวลดับความผุงซ่านต่างต่างเอาไว้ให้หมดแล้วก็สร้างความระทึกสัมผัสท้องลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกของเราอันนี้เป็นการเจริญสติให้รู้กายอยู่ปัจจุบันซึงเรียกว่าอานาปานสติเราพยายามฝึกตรงนี้ให้เกิดความเคยชิดไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหน ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจักที่พอรู้ตัวปุ๊บเราก็พยายามสร้างความรู้สึกรับรู้รับรู้ส่วนใดของกายก็ได้ถ้าเรามีสติรู้กายรู้การเคลื่อนไหวของกายรู้ลมหายใจเข้าออกรู้สัมผัสของลมหายใจเข้าออกการสร้างความรู้สึกตัวอยู่ที่การหายใจเข้าออก อันนี้จะเป็นสิ่งที่ง่ายถ้าเรามันสนใจเพราะการหายใจเข้าหายใจออกพวกเราก็หายใจมาตั้งแต่เกิดแต่เราขาดการสร้างความรู้ตัวก็เลยขาดความไป่ชินตรงนี้จิตก็เลยคิดส่งออกไปไาโน่กทั้งที่คิดเราก็รู้อยู่ว่าเราคิดจิตคิดเราก็รู้เราก็ทำตามความคิดนั้นนั่นแหละก็เรียกว่าจิตส่งออกไปข้างโน่กบางทีก็ขันพา ถ้าพูดตามภาษาธรรมก็เรียกว่าอาการองคันห้าจึงพุทธขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราจิตของเราเข้าไปหลงเข้าไปรวมจนเป็นสิ่งเดียวกันถ้าเราขาดการสร้างกติยากที่จะเข้าใจตรงนี้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่ปฏิบัติที่โต้เนื่องเราก็จะเห็นว่าอาการองคันห้ากับตัวจิตจริงๆแล้วเป็นคนละส่วนกันซึ่งจิตของเราเกินเข้าไปรมูมจนเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อเข้าไปรวมแล้วเราต้องรู้ว่าเราคิดเราต้องรู้ว่าเราทำนั่นแหละหลงอยู่ในความคิดตรงนั้นหยุดหลงอยู่ในอาการของตรงนั้นยุดอันนี้เป็นของละเอียดอดมากทีเดียวจิตของเราเข้าไปร่วมกับความคิดจะเป็นตัวเดียวกันจนไปด้วยกันเราก็ทำตามความคิดเราก็ทำตามอา ร, รมณ์ทั้งที่เราลู้รู้แต่การดับการแยกการสารวจการตามดูการทำความเข้าใจยังไม่กระจา่าง เราต้องพยายามหัดสังเกตสังเกตไปบ่อยหัดสร้างความรู้ตัวไปบ่อยรู้ตั้งแต่อาการเกิดของจิตของอาการของความคิดถ้าเรารู้ตัวอยู่ปัจจุบันจิตของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมกับความคิดถ้าเรารู้ทันตั้งแต่ต้นเหตุเขาก็จะแยกออกจากกันโดยปริยายถ้าแยกตรงนี้ได้ก็ เ, เรียกว่าแยกกรุปเจกนาเขาเรียกว่าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจิตเปิดทางให้ความรู้ตัว ก็จะตามเห็นสภ า, าวัรมการเกิดการดับของขันท่าซึ่งเรียกว่าอนิจจทุกขอังาอนัตตาเขาเกิดขึ้นเขาดั่งอยู่แล้วก็ดับไปความว่างเปล่าก็เข้ามาปรากฏเรื่องแล้วเรื่องเราเรื่องแล้ ว, เ ร, ล ว, เ, รลวเรื่องเราจิตของเราก็้าไปหลงเข้าไปรวมตรงนี้ทําให้เกิดอัตาตาโกรธนี่แหละโมหะความหลงอย่างลุ่มลึกเรามาคลายตรงนี้ได้มาแยกตรงนี้ได้ ถ้าเราขาดการตามทำความเข้าใจเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิมอีกเหมือนเดิมริงนะักกว่ากันเราต้องไปาตามทำความเข้าใจแล้วก็รู้ลักษณะอาการของนิวรณ์ทำต่างๆทำความเข้าใจกับนิวรณ์อย่างเช่นจิตของเรามีความกำนังจินดีในรูปรสจินเสียงขณะที่เราตื่นตัวอย่างนี้แหละเราก็พปหยามดับเสียจิตของเรามีความอาฆาตพยาบาทปองไร้ เราก็รู้จักขบุบแล้วก็ให้อภัยฐานอโหสิกรรมความระลึกรุ้ตัวของเราลพลังเผลือเราก็พยายามสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาไปป่อยจิตของเรามีความหลังเลมีความสงสยัยมีความพงสร้างเราก็รู้จักดับใช้สมมตถฐาเข้าไปดับไม่ใช่ว่าไปนั่งสงบงเงียบอย่างเดียวขณะที่จิตของเราเกิดนั่นแหละเราพยายามดับเสียอยู่กับลมหายใจป้างหรือจะเอาคำมรรกรรมเข้าไปกากับปั้ พยายามดับบ่อยๆดับไปล่อยความรู้ตัวก็จะมากขึ้นจิตของเราก็จะช้าลงถ้าเราไม่ดับเราปล่อยให้เขาเกิดทั้งที่รู้รู้กำลังจิตก็จะมากขึ้นเหมือนกับเอาอาหารให้กิเลเราก็ต้องพยายามศึกษาดูให้ละเอียดเราอาจจะมองข้ามในสิ่งเล็กๆในน้อยอยากจะเอาแต่การทำอยากจะได้ทั้งกระทังกลัวจะไม่ได้คิดกลัวจะไม่มีความรู้กลัวจะไม่มีปัญญา เราพยายามคลายความหลงตามดูขันท่าละขันท่าแล้วก็ดับความเกิดของกิจอีกด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้คิดหลงเราดับความเกิดของกิจดับเราดับได้ระดับไหนหยุดได้ระดับไหนระดับกลางระดับปลายระดับต้นเหตุตั้งแต่เขั้นตอนมันเริ่มขอตรัวเราก็พยายามดับเสียพอดับได้แล้วเขาก็จะนิ่งนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็หนุนกําลังสติเข้าไปคิดเข้าไปพิจารณาอริโอปัญญา จนเป็นอัตโนมัติในการตามดูตามทำความเข้าใจแล้วก็ละรู้จักเอาไปใช้ปัญญาไฟสำรวจไปดับไฟละไฟเกิดมันก็จะตามมาเรื่อยๆก็ต้องไปอย่างฝึกคนตนเองเอาะสร้างอา น, นิสทรงสร้างตรบะบาบรมีแต่เราวันตื่นขึ้นมาเรามีความเท ส, สละเต็มเปี่ยมหรือไม่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความกระตันอยู่กัตะเวทีเรามีความพยันมั่นเพียร มองโลกในทางที่ดีคิดดีไม่ต้องเปกลัวจะเสียเปียกปิเ ล, คน น, เเลคนนู้นเสียเปียกปิเลคนนี้ถ้าเราชนะตัวเราแล้วเราก็จะชนะหมดแต่ส่วนมากไม่ค่อยอยากจะชนะตัวเราเองอยากจะไปเอาชนะตั้งแต่ภ่ายโอกกันพยายามสร้างอานิสงส์คนเราเกิดมาก็มีบุญอยู่แล้วจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างสะสมบุญต่ตมาสร้างสะสมอานิสงส์โต อย่าไปปิดขั้นตัวโรเองว่าไม่มีบุญทุกคนก็มีบุญกันทั้งนั้นแหละถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนก็ได้ปฏิบัติธรรมกันมาด้วยปฏิบัติธรรมกันมาตั้งแต่เกิดกันหลยตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยด้วยตั้งแต่พวกคนก่อนแต่ยังไม่ถึงจิตหมายเท่านั้นเองคื อ, อยังละกิลเลสไม่หมดยังทําจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์หมดจดยังไม่ได้เท่านั้นเอง เราต้องไปอย่างการงานทุกวันการทําการทํางานมีความระบผิดโชคผิดถูกจดดีมีความเฉลิมลอมีความมดทนอดกลัน้นผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวนั่นแหละคือตัวการปฏิบัติอยู่ในระดับของสมมุติอาจะถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้า ง, างก็เป็นของจำบันดาแต่การเจริญสติเข้าไปสํารวจการสร้างความรู้ตัวพวกเราทับไม่ค่อยจะได้โตเนื่องกัดชวนมากจะไม่ค่อยจะทับ อาจจะทำบ้างกับปิดกับปล่อยบางเล็กๆนน้อยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาความรู้สึกตัวของเราต่อเนื่องกันได้สักห้านาทีไม่สิบนาทีไม่จนกลายเป็นชั่วโมงจนกลายเป็นวันวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเรามีความรู้ึกตัวต่อเนื่องกันสักห่านาทีไหมอันไหนมันมากกว่ากันให้เราวิเคราะห์พิจนารณาดูไม่ใช่ว่าเราจะมาสร้างสติอย่างเดียวให้นั่นการจเจริญสติ ถ้าเราแยกรูปแยกนามได้ตามทำความเข้าใจได้เขาก็จะเป็นมหาสติของเขาเองเราไม่จำเป็นต้องมาสร้างเขาตลอดเวลาหรอกต่อไปข้างหน้าเรามั่นสร้างน้กแต่ใหม่เอาไปแยกเยอะทำความเข้าใจแล้วก็ละทาบดจิตของเราให้ได้ให้ต่อเนื่องกันให้ได้ต่อไปข้างหน้าสติปัญญาสมาธิความว่างเขาจะรักษาเราเอง ชงใหม่ๆเราต้องสติไม่มีความรู้ตัวไม่มีเราต้องสากขึ้นมาจิตไม่สงบเราก็พยายามทําจิตของเราให้สงบจิตเกิดกิเลสเราก็พยายามละกิเลสปัญหาเข้ามาเราก็ตามทาคำความเข้าใจให้รู้ความจริงแล้วค่อยละเสียนี่วอนทาต่างๆเราก็ทําความเข้าใจแล้วค่อยละเสียต่อไปข้างหน้าเขาก็จะรักษาเราเอกนั่นเลยยืนเดินนั่งนอนก็จะเป็นแค่เพียงอริยบททาไปเรื่อยๆ จะอย่าให้ขาดอย่าให้พรังเผลอสติอย่าให้พล า, าดสายตาของสติปัญญาของเราไปได้จนเป็นอัตโนมัติจนไม่ได้ฝุกยื น, นเดินนั่งนอนจิตของเราก็จะอยู่ในความว่างความบริสุทธิ์รับรู้อยู่ในกายของเราเราสร้างความว่างจิตว่างจากการเกิดว่างจากความยึดมั่นหรือมั่นว่างจากกิตเละเขาก็จะอยู่ในความว่างความว่างนั่นแหละ ค, คือวิหารธรรมเึ่งอยู่ของจิต เราไปอยากสร้างความบ้างให้มีให้เกิดหรือว่าความบ้างนั่นแหละคือสมาธิความส ง, งบความปกตินั่นแล้ก็คือสิ่งสินสมาธิแล้วก็ปัญญารอบรู้ในขันหะรอบรู้ในกองทังขาดแล้วก็รอบรู้ในโลกธรตุไปที่เราเข้าไปจุกเกี่ยวถ้าเราจะเอาจริงๆเลยมันก็ไม่มีอะไรมากมายก็มีแต่เรื่รูปกับนามกายของเราเราก็ดูลแลรักษาทำความเข้าใจ กับเขาเสียแล้วก็บริหารเขาให้ถูกทางเสีถึงเวลาแล้วเขาก็จะแตกดับของเขาเองนั่นแหละพราทุกคนเกิดมาแล้วก็เดินก็ไปหาความเสื่อมความเสื่อมความสลายกับขึ้นสู่สภาพเดิมไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะเดินเข้าไปหาตั้งแต่ความเจริญไม่ใช่ตั้งแต่วันเกิดนั่นแหละมันเสื่อมตั้งแต่วันเกิดนั่นแหละเสื่อมขึ้นกับเสื่อมลงถึงเวลาแล้ว จะเอาอะไรมาปลุกมัดมันไว้ก็ไม่อยู่มันต้องก็กลับขึ้นสู่สาภาพเดิมขณะที่ยังไม่ถึงเวลาเราก็ทําความเข้าใจให้กับขอให้เรียบร้อยสิเราก็จะอยู่ดีมีความสุขอยู่ก็สมมุติใช้สมมุติให้เกิดประโยชน์ไม่ให้สมมุติครอบครองรู้จักขยันมันเพียรรู้จักหน้าที่รู้จักรับผิดชอบต่อตัวเราต่อคนอื่นต่อส่วนรวมต่อสังคมรู้จักตัวเองใช้ตัวเองให้เป็น ทำความเข้าใจกับตัวเราให้ได้ใช้ตัวเราให้ได้รู้จักนาที่รู้จักรับผิดชอบการชำระสสารกิเลสก็พยายามชำระสสารกิเลสของตัวเราให้หมดสิ้นมันไม่หมดสิ้นวันนี้มันก็ต้องหมดสิ้นวันถงนี้ให้มีความรักความสมัครสมานธรรมวิชิกันมีอะไรก็ให้ช่วยเหลือกันเท่าที่เราจะเอางวยความสะดวกให้ได้เรามาอยู่ร่วมกันเรามี วิบากร่วมกันนั่นแหละเราต้งได้มาอยู่ร่วมกันเป็นเคยญาติเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเ ป, เ, ปเป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายโดยกันถ้าคนเราไม่มีวิบากร่วมกันก็ายากที่จะได้มาอยู่ร่วมกันนี่อะไรขอให้ช่วยเหลือกันอย่าไปคิดอากตาิอย่าไปเพ่งโทษก็อยากสามีแล้วก็กำจัด อ, อกอยู่น้อยคนก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขถ้าเราเข้าใจ เราก็ต้องพยายามเป็นหน้าที่ของทุกคนที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนถนนหนทางตรงไหนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็ทำเสียทาช่วยกันนั่นแหละกว่าจะได้มาเป็นสถานที่น่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นรมมันก็ต้องผ่านการผ่านเวลาผ่านความร่วมมือร่วมใจของทุกคนลอรองช่วยกันทำหลวงพ่อก็เป็นแค่เพียงเสาหลักเป็นสะพานหลักให้ทุกคนได้มาอยู่รวมกัน ได้มาดูแลรักษาเป็นสมบัติของทุกคนเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่เป็นของคนใด ค, คนหนึ่งเรามาอาศัยสมมติตรงนี้อยู่ทักวันทักเวลาเราก็ต้องในพัดพากจากกันไม่ได้พัดพากจากกันตอนเปดก็ต้องในพัดพากจากกันตอนตายอันนี้เป็นกฎของไหญ่ลักกฎของธรรมชาติถึงมองด้วยตาเนื้อลึอกลงไปแล้วก็มองด้วยตาสติตปัญญา เห็นการเกิดการดับของจิตการเกิดการดับของขันธ์ห้าแล้วก็ชำระสะสารทำความเข้าใจกับเขาให้เรียบร้อยให้ได้รอบรู้ทั้งภายในรอบรู้ทั้งภายนอกไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไม่ได้เกิดได้คืนไปอยู่ที่ไหนเราก็จะมีตั้งแต่ความองอาจมีแต่ความกล้าหาดรูด้จักแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองมีความเข้มแข็งตลอดเวลา